นีแ่แต่แหมมันเหลืออีกหน่อยหนึ่งมันไม่หลุดเอหรือว่าแบกเกือบเกือบครึ่งครึ่งเนี่ยอนาคาลรามันความจริงราคาสั่ ง, งไม่หลุดนะไปกราบเรียนครูบาอาจารยนะ์บอกว่าผมไม่เชื่อมันหรอกไม่เชื่อจริงๆนะไม่เชื่อจริงๆรนะแต่มันดูคล้ายคล้าือวันที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะราคานี่หายไปเลยไม่มีการมาราคาอีกเลย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 เมากันต่อเนี่ยกลับไปนอนคาดว่าคงนอนไม่หลับคงถึงเช้าแน่เลยครับพอไปกดสวิตไฟปิดสวิตไฟออกมาเดินได้ยินเสียงคนเดินแก๊กตัวตนมันก็โผล่โชว์อีกเหมือนกันว่านี่แหละกูกางเดินนั่นแหละให้เขาดูอย่างนั้นแหละดีในความเป็นจริงนะแต่ละคนเนี่ยมันประกาศอัตราอยู่ตลอดเวลาที่หลวงพ่อบอกไอ้เหลืองก็เป็นใช่ไม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 ยิ่งสู้มันยิ่งเก่งมากขึ้นมากขึ้นนะกิเลสยิ่งซ่อนแล้วตัวใหญ่ขึ้นด้วยเพรั้นพวกผู้ปฏิบัตินี่แหละเซลล์จัดเซลล์จัดเวลาเข้าวัดรู้สึกไหมเข้าวัดออกมานะมองโลกทั้งโลกอย่างเหยียดหยามเลยพวกไม่มีศีลมีธรรมเนี่ยตัวดีวิเศษนั่ง <c oughs> หมาก็ทําเป็นที่หลวงพ่อบอกะอะ้เรื่องมีตัวเราอมีตัวกลัวมันแอบสร้างตลอดผมผมก็พยายามเทียบกับไอ้เหลืองอยู่เหมือนกันไม่ไม่ <c oughs>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 อันนั้นนะรู้แล้วว่าจะต้องสูญเสียกำลังจะต้องสูญเสียทุกอย่างเลยเสียร่างกายเสียคนที่รู้จักคุ้นเคยเสียทุกสิ่งทุกอย่าง อ, อันนี้แค่เดี๋ยวก็ตื่นขึ้นมาก็เจอเหมือนเดิมใจไม่เหมือนกันไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนต่างกันมากโอ้เพราะว่าผมเห็นิมิตแล้วผมผมเองผมก็ฝ่อเลยอพอพอพ อ, พอเคลิมๆแต่หลับปับคราวนี้เห็นภาพภาพมันเป็นป่า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 ในความรู้สึกเราเป็นโง่อ้อความรู้สึกเราเป็นโง่อ่าแล้วพอรู้ตัว่าเราเป็นงงโคนี่ขนาดคล้ายๆกับว่าฝึกฝนจิตใจมาขนาดนี้จิตใจมันเลือกไม่ได้มันจะสร้างภาพไม่ได้แล้วเวลา <c oughs> นอนหลับกเวลาตายเนี่ไม่เหมือนกันเวลาตายเนี่ยมันจิตใจมันจะห้าวหาญขึ้นมาสําหรับผู้ปฏิบัตินะเวลานอนหลับนี่ก็ป้อแป้ป้อแปเลอะเทอะอย่างนั้นแหละ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 นมาส ก, การหลวงพ่อครับอตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่อะครับอ่า ท, ท, ทีนี้ก็ตอนนี้เริ่มหลงแล้วครับ mm hmm. เริ่มกำลังจะปรุงแต่งขึ้นมาว่าจะคิดว่าจะพูดอะไรดีอ mm hmm. อืมจะราย ง, งานผลการปฏิบัติครับคือมาครั้งแรกตอนประมาณช่วงเดือนมกราตอนนี้ก็เริ่มหลงไปคิดอีกแล้วครับอื mm hmm. คือหลวงพ่อก็บอกว่าให้ให้ไปฝึกท่ อ, ทองภาวนาท่องพุทโธอะไร ตนนนท่องเท่าไหร่ก็รู้สึกแน่นๆแต่เมื่อคืนได้คุยกับแม่โยมไก่ครับอืคือก็ให้ท่องแบบคือท่องแบบพุทโธแบบไม่ต้องสัมผัสกระลมหายใจอทีนี้พอตื่นขึ้นมาประมาณสักตีสามห้าสิบพอตื่นปุ๊บก็เลยท่องแบบใหม่ดูก็รู้สึกมันตอนนี้มันก็ไม่แน่นแล้วอแต่ทีนี้มันแวบไปเนี่ยคือผมก็ไม่รู้ไม่รู้ว่า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 มันเป็นเองถึงจะใช้ได้ถ้าไปสร้างให้โล่งๆให้สบายนี่นใช้ไม่ได้ตอนนี้กำลังเริ่มระสึกปิติขึ้นมาอยู่ฮ ะ, ะนะรู้ไปอย่างนั้ น, นเบอร์3าสบอสามหนึ่งอยู่ข้างหลังแล้ว45หนะแล้วนู่นเบอร์อะไรก็ไม่รู้สีฟ้าๆนู่นนรวัสกาค่ะหลวงพ่อคือครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้กันบ้านไปอะค่ะให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 ต้องหยิบมาใส่เรื่อยๆนะแบกคลังหน้ากากไปจนหนักเลยแต่นี้ฉีกหน้ากากทิ้งไปเรื่อยใจก็โรขึ้นโปขึ้นครับดีภาวนาใช้ได้แล้วครับก็เห็นอะไรเยอะแยะนะครับที่พีพีเขาส่งไอ้มาณาอัตตานิดๆหน่อยๆก็เห็นครับก็เห็นเกิดลวเกิดลวรู้สึกไหมมันแอบแทรกแวบเข้ามาบ้างแล้วเขาเห็นเราก็เห็นเหมือนกันด้วยใช่ครับคือฟังเทปว่า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 เมื่อกี้ไปถึงไหนแล้วหนะ้าเดี๋ยวก่อนเนี่ยยกพร้อมๆกันนะตาฟางไปหมดแล้วทำไงดีอะเราเยีเยนยกพร้อมๆกันล้วไม่มีใครเอามือลงเลยนะต่อสู้กันเข้มแข็งไอาไปส่งไปข้างหลังเอาตอนนั้นเอาลงได้ละคนนี้เห็นละก็คือมาครั้งที่สามค่ะแต่สองครั้งแรกไม่ได้ส่งกันบ้านนะคะ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 พอพอไม่ให้มันติดนิ่งท่านนะให้มันไหวไหวบ้างอย่าไปเพ่งให้มันนิง่งเนี่ยตอนนี้มันไหวแล้วรู้สึกไหมรู้สึกจ้งค่ะเพราะอะไรดูออกไหมจิตเราไม่ได้ไปตั้งแช่ไว้ที่จุดจุดหนึ่งรู้สึกไหมตอนที่ทมันไปนิ่งเราอัดเข้าไปอยู่ข้างในนี้อย่าไปอัดเข้าไปข้างในนี้เนี่ยเนี่ยเริ่มอัดอย่างเนี้ยจําทางตรงนี้นะตรงนี้ไม่ทํามันอัดเข้าไปแบบนี้แหละเออปล่อยออกมาอย่างนี้นะ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 แล้วก็พอเริ่มยกมือจิตมันก็เปลี่ยนคะจะมีโอกาสมาภาวน า, าแถวนี้สองสมวันคะขอการบ้านหลวงพอ่อทำให้สบายนะอย่าเครียดน ะ, ะต้องสบายๆของคุณจะเครียดง่ายไปนิด น, นึงทำตัวสบายๆไม่รีบร้อนปฏิบัติกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็คอยดูเล่นๆไปก็จะเห็นเลยทุกอย่างผ่านมาผ่านไปอย่าไปประคองไว้นะอย่าไปกดไปให้ของคุณตอนนี้เริ่มไปประคองไว้แล้วรู้สึกหม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 ถ้าไอกคนดูเนี่ยสบายคงที่อยู่มันตั้งมั่นขึ้นมาส่งไปข้างหลังนั่นยกมือไว้ยาวลงเดี๋ยวหายเ <c oughs> หนื่อยทำไมบางคนบอกทำไมหลวงพ่อต้องพูดเร็วนะสภาวะมันเร็วถ้าหลวงพ่อพูดสไตล์นี้นะ <c oughs> จิตมันเปลี่ยนไปห้าร้อยครั้งแล้วใไหยดูทันที่ไหนละ่ะจะบอกว่าคุณโชคชัยกำลังเหลอนะคุณโชคชัย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 ไปสว่างอยู่ข้างหน้าเงี้ยให้รู้ทันเอาให้ไปสังเกตเอาใช่ไหมครับสังเกตเอาไม่ให้ดึงนะถ้าเห็นมันอยู่ข้างหน้าเราไปดึงเนี่ยเดี๋ยวแน่นมาเนยะต้องมานั่งแก้ที่หลังขอบคุณครับเอร้อยยี่บเอ็ดยกมือไว้ยก ไ, ยกไว้ยกไว้มาส่งมาแถวหน้าสุดเลยนะช่วยกันรับหน่อยช่วยกันส่งว่องไวหน่อยทาพื้นดินนะ อ, ย อ, ยอย่าส่งทางอากาศนะ ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวบางคนมันส่งมาที่หลวงพ่ออค่ะก็กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเมื่อเดินที่แล้วที่สาราดงชินนะค่ะมีคนกราบเรียนคําถามว่าคุณพ่อกําลังจะเสียค่ะจะน้อมนําจิตสุดท้ายของคุณพ่อยังไงอ่ะค่ะแล้วหลวงพ่อก็ได้คําแนะนําว่าให้ทําจิตของเราให้เป็นกุศลค่ะใช่ค่ะ